b o าสิบสามร้านค้า b u t ิกเ r ร์เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาย้ายเลี่ยง t ์ตส์ฟอติ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 เราก t ล r e ม t e r า n k าน t ายย r เพื่อจะซื้อยาเ p e s a ลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยาเรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยาเรากำลังมอ e หาร้านขายยาเพืลังมองหาร้านขายเรันื่อกำลังมองหาร้านขายเะรัื่อังรนะกัาลังมองหาร้านขายอกำลังมองหาร้านขาย่อากรยาพ่ายาพ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 ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้กฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก